ข้อที่43อีกอย่างหนึ่งคนพาดทั้งหลายยอมอย่างตนและหมู่ชนผู้ทําตามคําของตนให้มิหนา้าเพราะสิ่งที่ตนถือเอาชั่วเหมือนบาปชนทั้งหลายมีพระเทวทัตเป็นตนฉะนั้นเรื่องพระเทวทัตดังได้สดับมาพระเทวทัตบวชตามพระบรมศาสดาเป็นผู้ได้อริษอย่างผุ้ทุชนต่อมาภายหลัง ได้เป็นผู้มีลาบสการะอันพระเจ้าอิชาตสตรูทรงทรรมวงได้เปิดถวายวงได้ปิดแล้วเธอถูกลาบสการะครอบํำแล้วจึงเกิดความคิดชั่วช้าขึ้นว่าเราจะปกครองภิกษุสงฆ์ดังนี้ก็เสื่อมจากฤทธิ์พร้อมกับจิตตุประบาดวันหนึ่งไปพระเวทุวันถวายบังคมพระศาสดาแล้วกราบทูลว่า พระเจ้าข้าปัจนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชราแก่เท่าแล้วขอจงทรงขนไถ่น้อยตามประกอบทิฏฐ ธ, ธรรมสุขขวิหารเถิดข้าพระองค์จกปกครองภิกษุสงฆ์ขอพระองค์จงทรงมอบภิกษุสงฆ์แก่ข้าพระองค์เถิดดังนี้แล้วถูกพระบรมศาสดาทรงรุบลานด้วยวาทะว่าผู้กลืนกินน้ำลายแล้วทรงห้ามเสีย จึงไม่พอใจผูกอาฆาตในพระบรมศาสดาแล้วหลีกไปในการต่อมาพระเทวทัตนั้นคบคิดกับพระเจ้าอชาตสตรูส่งพวกนายขมังธนูไปเพื่อจะปรงพระชนพระบรมศาสดาเมื่อนายขมังธนูเหล่านั้นบรรลุโสดาปติผลแล้วกลับมาจึงขึ้นภูเขาคิชกูดเองกลิ่งศิลาทำกรรมคือยังพระโลหิต ให้ห่อแล้วให้ปล่อยช้างนาราคีรีเพื่อปลงพระชนพระบรมศาสดานั่นแหละอีกก็ไม่อาจจะให้พระบรมศาสดาสิ้นพระชนได้ตั้งแต่นั้นมาเธอมีลาบสการะเสื่อมพระสงค์จะเลี้ยงชีวิตด้วยความหลอกลวงจึงเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาทูลขอวัตถุห้าประการว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ดังข้าพระองค์ขอประทานวรโรกาสภิกษุทั้งหลายพึงถือการอยู่ป่าเป็นวัดถือเที่ยววินาศเป็นวัดถือผ้าฟังสกุลเป็นวัดถือการอยู่คนไม้เป็นวัดไม่พึงฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิตพระบรมศาสดาไม่ทรงอนุญาตเธอจึงกล่าวว่าใครต้องการจะพ้นทุกข์จงมากับเราดังนี้แล้วพาพวกภิกษุ ผู้ที่เชื่อคำของเธอยังชนผู้เลื่อมใสในวัตถุอันปอนให้ยินยอมด้วยวัตถุ5ประการให้ออกปากขอวงเล็บเปิดปัจจัยวงเล็บปิดในตระกูลทั้งหลายแล้วบริโภคเพียงพยายามเพื่อทำลายสงในวันอุโบสถนั่งร่วมกับบริษัทของตนแล้วกล่าวว่าวัตถุทั้ง5ประการนี้ควรแก่ภิกษุรูปใด ขอภิกษุรูปนั้นจงจับสลากเมื่อภิกษุห0 0รูปผู้ไม่ฉลาดในธรรมวินัยพากันจับสลากแล้วจึงทำลายส่งแล้วไปสู่ขยาศีสาวิหารตั้งแต่นั้นมาพระเทวทัตนั้นเป็นผู้อาภาตลอดเก้าเดือนประสงค์จะเฝ้าพระบรมศาสดาถูกพวกสาวกของตนใช้เตียงหามนำไปสู่กรุงสาวัตถี ถึงขอบสาโบครณีซึ่งตั้งอยู่ด้านนอกพระจชตวันจึงถูกแผ่นดินสูในที่นั้นนั่นเองบังเกิดในเอเวจีมหานรกแล้วเรื่องพระเทวทัตจบ